เดินผอนา่โยมสาธุชนเท่าไหรยวันนี้อาตมาจะแสดงธรรมให้ท่านเท่าไหร่ฟังแต่ว่าธรรมะความรู้หลายๆด้านนั้นเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วแต่ข้อสำคัญการปฏิบัติตามทำสอนของท่านเราฝึกปฏิบัติทางจิตเราทายังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำ วิธีปฏิบัติให้ทุกคนนั่งปฏิบัติ ด, ด้วยฟังทำไปด้วย <c oughs> เอามือขวางหายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตาหลับตากาหนดภาวนาดูลมหายใจออกหายใจเข้า ลมหายใจออกเราสามารถกำหนดรู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้หายใจลึกๆดูหายใจลึกลมกระทบตรงไหนในจับบของเราให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ว่าลมออกหรือลมเข้าก็ตาม ให้คอยมีสติอยู่ตรงนั้นคอยดูลมหายใจอยู่ตรงนั้นถ้าเราจับความรู้สึกในการหายใจของเราแล้วได้แล้วมันก็ง่ายขึ้นในการที่จะรวมให้มันเป็นหนึ่งขอให้จับหลักการปฏิบัติให้มันได้ก่อน คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าแสดงไว้ยาวมากถึงสิบหกวิธีการถ้านับเป็นข้อย่อยก็สามสิบสองเพราะฉะนั้นให้เอาอเดียวไม่ต้องเอามากหลายข้อหลายอย่างมันสับสน เอาวั น, นเดียวอย่างสุขุลาจะเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละพอตั้งสติคอยดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่ต้องอย่าพึ่งตามลมเข้าอย่าพึ่งตามลมออกเอาแต่เพียงว่ารู้ว่าลมผ่านตรงนี้ตรงนี้ในจมูกของเรา เราเก็ตั้งสติไว้ตรงนั้นเละตั้งสติไว้ตรงที่ลมออกลมเข้า่เลยกระทบตรงไหนรู้อยู่ตรงนั้นเราจะรู้อยู่ตรงนั้นอให้สังเกตให้ดีจะเห็นว่าลมมันผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออมันค่อยละเอียดลงไปเรื่อยๆ แต่ก่อมาจะคิดนึกปรุงแต่งนั่นนีเราจะเพิ่งไปสนใจกับความคิดนึกปรุงแต่งเหล่านั้นให้คอยรู้คอยเห็นอยู่ที่เดียวใจเราจะคิดนึกเราก็ไม่สนใจไม่สนใจตามอารมณ์ต่างๆให้น้อมมาที่ ตัวของเราหรือที่ลงหมายใจของเราเท่านั้นเอาความรู้สึกไว้ตรงนั้นแต่อย่าไปบังคับว่าไม่ต้องคิดต้องนึกละ่ะอะไรอย่างนี้อย่าไปคิดอย่าไปคิดนึกว่าเราจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันไม่ต้องคิดนึก เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเราอย่าไปสนใจหรืออย่าไปบังคับอย่าบังคับความรู้สึกถ้าเราบังคับความรู้สึกเราจะปวดศีรษะปวดระหว่างคิว้วจิตเราจะไม่เป็นสมาธิสมาธิมันเป็นธรรมชาติของมัน เ, ออเรานึกอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีสติเห็นอยู่ในเรื่องเดียว จิตใจเราก็จะรวมลงไปเป็นหนึ่งพอมันเรรวมลงไปเป็นหนึ่งแล้วมันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างลนวันนี้วรนห้ามันสงบลงธรรมะก็ผุดโผกขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วแบบนี้พอเข้าสมาธิปับ๊บจิตก็รวมปั๊บทันที ก็สู้ได้กับความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ต่าง ๆ, ๆที่เข้ามากระทบใจเราเราก็รู้ได้สามารถชำระได้ชำระไม่ให้ขุนมัวขึ้นมาพออะไรเข้าไปปั๊บมันไม่ตมแตกไปจิตของเราถ้ามันถ้ามันมีพลังแล้วเนี่ยมันไม่แตก ม, มันใสสว่างเลยที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าทำจิตให้ผ่องใสยยงนั้นเออ เว้นบาปทำปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ห่องใสนะจิตเราจะใสสงบเยือกเย็นอยู่ภายในใจจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์มันเดียวไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆน้อความรู้สึกต่ออันหาาปานญสิ พอมันถึงจุดของมันแล้วอนาปานั้นสติก็ดีลมหายใจก็ดีหรืออะไรต่างๆที่เราเอามากำหนดนี่มันหมดหนาที่แล้วการปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเรานี่หรือว่าในพระพุทธศาสนานมีอยู่40วิธีใหญ่ๆแต่เราเอาอันเดียวเราลมหายใจเท่านั้ วิธีไหนดีหมดอ่ะขอให้ทำจริงจริงดีดีทั้งหมดไม่ว่าสัมมาละหังทุกนอพ้องนอพุทโธหรืออนาปานัสติมันดีทั้งนั้นขอให้เราทำจริงพอเราทำถึงที่แล้วความรู้สึกที่ว่าลมหายใจมันก็ดับไปมันมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวสว่างสวยอยู่ภายใน นั่นเรียกว่ากิตของเราเข้าถึงธรรมแล้วหรือบรรลุมรรคผลไปแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงให้คอยดูลมหายใจเข้าหายใจออกตามธรรมชาติด้วยนะตามธรรมชาติลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันเป็ น, ปนไปตามธรรมชาติของมัน มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเราจะเห็นแังนี้ตลอดเราเห็นความรู้สึกของเราตลอดไม่ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆนิ่งแน่วอยู่แม้แต่ลมหายใจก็หมดไปไม่มีไม่มีเหลืออยู่เลยมีอยู่แต่ความรู้สึกหรือสติเท่านั้นเองสติกับกจิต เป็นอันเดียวกันสติกับจิตเป็นอันเดียวกันควบคุมกันอยู่ไม่ห่างเหินกันคอยประคับประคองกันอยู่กันน่ะนี่แนวอยู่กันน่ะ น, นั่นเรียกว่าเราทําถูกแล้วเราทำเป็นแล้วส่วนความคิดนึกว่าโอ้อยากให้ลมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นตาม ทำให้จิตฟุ้งซ่านคิดนอกรู้นอกทางหลายเรื่องหลายอย่างอย่าเอาอย่าเอาความรู้สึกเหล่านั้นให้เอาความรู้สึกที่มีความสงบเป็นหนึ่งหนึ่งไว้นั่นแหละดีที่สุดให้สังเกตดูลงกระทบที่จมูกมันเป็นยังไงเราเห็นไหมเราสามารถกำหนดรู้ได้ไหม ถ้ากำหนดไม่ได้ให้คอยดูคอยรูลมเข้าคอยดูลม อ, ออกอยู่ที่จมูกขยับเข้าไปตรงกลางจมูกสักหน่อยก็ดีถ้าเอาไว้นอกมันไม่สงบก็ขยับเข้าไปข้างในคอยรู้คอยเห็นดูอย่างนั้นรู้ะดูลมเข้ารู้าลมออกตรงนั้นสั้นยาวก็อย่าเพิ่งกำหนดอะไรต่างๆสงบระงับกายสังขารในต่างๆก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นก่อนให้ตั้งใจคอยดูเราสามารถทำได้ตลอดเวลานะเยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่สามารถกำหนดรูลมได้ตลอดลมก็เข้าตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วลมเข้าลมอว มันเป็นธรรมชาติของมันเราบ อ, อกลงเข้ามันเป็นธรรมชาติของมันให้คอยรู้เห็นอยู่ให้เห็นลงไปเห็นลงไปตามนั้นแหะตั้งอยู่เห็นมันตั้งตรงนี้แล้วรู้รู้ได้อยู่ตรงนี้ก็จับความรู้สึกนั้นเอาไว้ ส่วความคิดนึกไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่ว่าลมหายใจเข้าออกเราอยู่ไหมยังอยู่ไหมคอยดูอย่างนั้นแหละกีก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาอะไรอะไรก็ช่ความสงบไม่ได้หัดใจให้สงบเนี่ยมันเป็นสุข ถ้าหัดใจให้สงบได้มันเป็นสุขเป็นสุขภายในใจของเราเลยเนะี่ยคอยหักไปจะเพิ่งรีบร้อนจะเพิ่งอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราได้พระอริยบุคคลหรือ ย, อยัง เราได้โสดาบันหรื อ, อยังเราได้เสด็ทาคามีหรื อ, อยังเราได้อนาคามีหรื อ, อยังเราได้อลาหันหรื อ, อยังอันนี้อย่าพไปสงสัยถ้าได้มันต้องดูด้วยใจของเราเองพอมันถึงจุดไหนตรงไหนมันรู้มันเห็นชัดมันรู้ข้ามันเอง ถ้าทำถที่สุดแล้วมันจะลูกขึ้นมาเลยโอ้ดี้เราถึงที่สุดแล้วความโลภ ใ, ใ, ใ, ใ, ในใจเราก็ไม่มีความโกรธในใจเราก็ไม่มีความหลงอยู่ในใจเราก็ไม่มีมีแต่ความรู้อยู่ที่สงบสงัดเป็นสุขอยู่เฉพาะตัวตลอดเวลาเราจะยืนเดินนั่งนอนเะไรต่ามันมีสติพร้อมอยู่ตลอด มันไม่หลงทางขอให้จับหลักการปฏิบัติให้ได้สามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านได้ตลอดความสงบนี้สามารถทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคืออะไรคืออนิจจังความไม่เที่ยมที่มีอยู่ที่ตัวเราเอง ควมไม่เที่ยงที่มีอยู่ในตัวเราเป็นยังไงเกิดขึ้นอาศัยมีรามันดาเกิดขึ้นตอนม่าเกิดเนะตัวเล็กนี้เดียวหลวงปู่เทศว่าเอาปลายยาคาจุ่มลงไปแล้วสลัดจิตข้ง เจ็ดครั้งเหลือที่เหลืออยู่ที่ปลายยญ้าฐานหลตัวนั้นล่ะไปถือปฏิสนธิไปเกิดก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นด้วยแก่ขึ้นไปเรื่อยๆจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นบัรจัดสาขาแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งบรรจัดสาขาแล้วค่อย มีผมมีเล็บมีขนเนี่ยเขเจริญขึ้นเรื่อยเรื่อ ย, อยจนถึงเก้าเดือนสิบเดือนเขาขอดจากคันมารดาขอจากคันมารดาวีดามารดาเป็นผู้มีคนมากเลี้ยงดูเราไว้ไม่ให้ตายให้น้ำให้ข้าว ให้กินให้ได้นอนให้มีผ้าห่มเราช่วยตัวเองไม่ได้ในตอนนั้นพวแก่ขึ้นหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนปีสองปีสามปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนี่เป็นอย่างนี้เลื่อยไปจนถึงแปดสิบเก้าสิบอันนี้ก็เริ่ม หาทางลงเลยถ้าถึงแปดสิบเก้าสิบแล้วแต่ว่าผู้ที่ทบุญไว้เด็อายุยืนอายุวัฒโกคนทาบุญไว้อายุยืนคณะวัฒโกคนทบบ า, นนาะทะนท บ, บุญไว้มีส ม, มัครอายุก็แส่สลาในสุดก็ต้องตายจากโลกนี้ไป ทุกคนจะเกิดทีคนก็ตามก็ต้องตายหมดทุกคนที่ว่าจะไม่ตายไม่มีขอให้มีเกิดต้องมีตายแน่นอนแต่ว่าถึงเวลานั้นแล้วมันไปเขามันมันเป็นไปของมนุษพอมันตายแล้ว เอาไปเผามันเป็นยังไงมันเหลืออะไรอยู่เหลือเท่ากับกระดูกนี่ก็เหลือแต่เท่ากับฐานฐานก็คือกระดูกของเราเท่าคือเนื้อหนังมังสาอาวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆกลายเป็นฝุ่นเป็นผงไปเอาความเป็นฝุ่นเป็นผงนั่นบทให้ละเอียดทั้งมดทั้งกระดูกทั้ง ผุนเหล่านั้นบดให้ละเอียดพอเราบดละเอียดแล้วเราใส่ถาดสลัดขึ้นบนฟ้าควรขโมงเลยตัวเราไปไนมควานเลยตัวเรางมดหาที่ยึดที่ติดไม่มีแล้วลอันนี้นั่นแหละ กายเราเป็นอย่างนี้ส่วนใจยังอย่างอยู่เกิดสืบต่อไปเรื่อยๆ เ, เรามีบุญมีบุศสนได้สั่งสมความดีเอาไว้อายุกยย็ยืนยาวยืนยาวมีความสุขความเจริญนี่แหละ เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าความในเที่ยงเป็นยังไงอายุปัจจุบันนี้กับอายุที่ยังหนุ่มยังสาวเป็นยังไงความสุขความทุกข์อะไรเป็นยังไงเราจะสังเกตเข้ามาที่ตัวเราได้เลยว่าโอ้แต่ป่อนเราก็อยู่วัยหนุ่มวัยสาวจะทำอะไรเดินเหินมันสะดวกสบายบนทุกอย่าง แต่บัดนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เดินก็ยากทําอะไรก็ยากเหนื่เหนื่อยง่ายนั่นคือมันค่อยตัดไปตัดไปเพีเล็กแต่น้อยความไม่เที่ยงมันเป็งนงั้นน่ะเราเห็นความไม่เที่ยงในตัวตวนของเราเราเห็นความไม่เที่ยงในตัวตวนของเราเราว่าตัวนี้เป็นตัวของเราเป็นกายของเรา แต่มันก็อยู่ได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบปีร้อยปีเฉลยทเกินกว่านั้นว่างก็หายากหาได้อยู่แต่มันหายากนี่แหละอายุมากก็าตามอายุน้อยก็าตามถ้าทำความดีไว้ก็มีความหมายถ้ามีฐานมีศีลมีภาวนาไว้แม้เกิดวันเดียว ก็ดีกว่าคนเกิดร้อยปีแต่ไม่ทำความดีไว้เลยทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเพราะคนไปสู่พระโลกต้องมีที่พึ่งต้องมีบุญต้องมีกุศลต้องมีความดีจึงจะไปสู่เทวโลกได้จึงจะไปสู่สวัสด์ได้จึงจะไปสู่ภพมโลคได้จึงจะไปสู่พระนิพพนานได้ ถ้าไม่มีความดีเราจะอะไรไปเราจะอะไรไปเสพเราจะอะไรไปค ม, มโลกเราจะอะไรไปนิพพานเพราะความดีเราไม่ได้สั่งสมไว้เราเกิดร้อยปีพอสู้คนเกิดวันเดียวแต่เขาสั่งสมความดีไว้ไม่ได้เขาสั่งสมความดีมีชีวิตสู่วันเดียวมันดีกว่าคนที่เกิดร้อยปี แต่ว่าไม่ได้สั่งสมความดีอะไรเลยศีลไม่รักษาภาวานาให้ปฏิบัติเจ้าอะไรเป็นสิ่งที่นำชีวิตจิตใจของเราให้สูงส่งได้ทรัพย์ ส, สินสมบัติเงินทองเทาของที่เรามีอยู่นี่มากมายก็ตามในที่สุดก็ต้องเป็นของคนอื่นไปพอเราหวงหาอะไรหวงหาอะไรอยู่ตลอดเวลาหวงเห็นอยู่ตลอดเวลา เราไม่เคยคิดว่าอันนี้คือสมบัติที่เราจะต้องได้หมายความว่าถ้าเราทําบุญไว้สร้างความดีไว้นั่นแหละคือส่วนที่เราได้ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรไว้เลยเราจะได้ส่วนไหนเงินเหล่านั้นเป็นของเราไหมมันก็ไม่เป็นของเราเอาใส่ฝากเขาถึงปว่าชาเขาเอาออกหมดเก็บ อ, อกหมดสปเรเก็บออกหมด เอาเหลือให้ไฟไหม้ให้เห็นเป็นพยานว่างมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันตกเป็นของลูกของหลานของคนดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งเราจะจัดการอะไรไม่ได้เลยจะจัดการน้อยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราไม่มีเวลามาทาอย่างนั้นหรอกแต่เรามีเป็นมนุษย์อยู่นี่เราสามารถทำได้เราอยทํทำบุญลรวก็ทำได้คือทำให้ตัวของเราเอง ไม่ใช่ทำให้คนทำให้ตัวของเรานี่แหละตัวของเรานี่แหละสาคัญต้องทำในคิดเราทอัพย์สินก็บเรากมีเยอะอยากได้มาอีกให้มากกว่า น, นี้อย่างนั้นก็คิดถูกแล้วแต่ ว, ว่าถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไรหนึ่งยังคือคิดผิดอยู่ มีแต่อย่างได้แต่ไม่บริจาคสร้างส ม, ง ม, มุนงำสมีอันดินศักดิ์ของเราไว้เลยมันเสียท่าตรงนี้เลยคนเราเนะ่ยตายไปแล้วจึงคิดได้ตายไปแล้วจึงรู้ว่าโอ้เราทำบุญไว้น้อยเราทำบุญสนไว้น้อยสร้างสมบัริมีไว้น้อยเรามาได้สอนชั้นนีื่อดีกว่าก็ยังดีอยู่ดีกว่าเราไปตนนกนรกอ รนรกโอ้โ oh, ห oh, สันสีวานาลกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวานโลกมาเที่ยวกับอายุในมนุษย์หรือวันเดือนปีในมนุษย์9ล้านปี9ล้านปีในมนุษย์จึงเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรก ที่เชื่อว่าสังชีวะเป็นนรกขมแรกขูมที่สองคือการละสุตานรกขูมที่สามคือสังฆานรกขูมที่สี่คือโลโอโลวนรกขูมที่ห้ามหาโลโโลวนรกขุมขุมที่หกตาปานรกขุมที่เจ็ดมหาตาปานรกขูมที่แปด อาวิกีมหานรกนี่ผู้มีจิตใจเศร้าหมองต้องไปสู่มหานรกไม่ว่าคุมใดก็คุมหนึ่งถ้ามีบาปมากบุญไม่มีก็ไปสู่นรกที่ต่ดางลงไปเรื่อยๆจะมีบาปฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพระเจ้าจนพระโลหิตห่อฆ่าพระอรหัน ยังสงให้แตกกันเป็นพระเป็น่ายอันนั้นเป็นบา ป, บาปหนักแก้ไขไม่ได้เลยตายแล้วต้องไปสู่มหานรกชื่อว่าไอวกจี G, มหานรกนั้นนี่แหละเราทำความดีอยู่นี่เราทำเพื่อหาความสุขให้กับตัวเรา การฝึกสมาธิก็เหมนกันนั่นแหละหาความสุขให้เจ้าขอบางท่านบางคนภาวนาหลุดพ้นไปอย่างในวันนี้ฟังธรร ม, มแล้วปฏิบัติตามในที่สุดก็ได้ถึงคุณธรรมในพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระอน า, าคามีบ้างเป็นพระอาหารบ้างนี่ พอเราเป็นผ้าหลาบจิตเราเขบริสุทธิ์ไม่มีฝุ่นไม่มีอาสวะไม่มีอะไรเขาไปอยู่ในนั้นเลยกระทบอารมณ์ก็ไม่หวั่นไหวไม่แตกกระจายจิตใสบริสุทธิ์ไม่เอียงใช่เอียงกว่าไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีโทษไม่มีสุขอยู่ในนั้นเป็นหนึ่งเดียวอยู่จิตตรงนั้นถ้าแตกดาบปั๊บ เข้าพอดีผ่านไม่แต่งดักมีชีวิตอยู่ก็อยู่เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขจึงสมควรที่ทุกท่านทุกคนที่เกิดมาแล้วมีพร้อมทุกอย่างอย่าว่าเราพร้อมแล้วต่อไปเราจะต้องไปจากโลกนี้อยู่แล้วต้องทําความดีให้ได้ ต้องทำสิ่งที่ดีงามไว้ให้ได้จะยากง่ายฟานไหนก็ตามให้อดทนสั่งสมคุณงามความดีถือเอาสมบัติในโลกนี้ไปพร้อมสร้างทานไว้สร้างศีลไว้สร้างภาวนาไว้นี่พระพุทธเจ้าของเราจัดไว้ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเราต้องทำ ทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรายากง่ายป่านนห้ก็ให้อดทนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ดเป็นโชคดีมีโชคดีแล้วที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างความดีให้กับตัวเองนี่แหละจงคิดว่าไว้ละชีวิต เป็นของไม่เที่ยงแท้แ น, น, น่นอนลนุมสาวก็ตายได้เจ๊ก็ตายได้เจงงอมก็ตายได้ความตายมีกับเราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนความตายก็ตามไปด้วยยืนอยู่ความตายก็ตามไปด้วยนั่งอยู่ความตายก็ตามไปด้วย นอนอยู่ความตายก็ตามไปด้วยเดินอยู่ความตายก็ตามไปด้วยเป็นเงาติดตามตัวถ้ามีเกิดถ้าไม่เกิดจึงไม่ตายทำอย่างไรเราจึงจะไม่เกิดก็ปฏิบัติ ร, รับนี่แหละให้ทานรักษาศีล น, นี่แหละเราจะไม่ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนหมายก็ว่าผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะ ไม่ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนต่อไปแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงชั้นนั้นเราทำบุญบณับมสลสังสมความดีอยู่สร้างบารมีอยู่หัดจิตของตนให้สงบอยู่อันนี้เราไปสวรรค์ก็ได้ไปพมโลกก็ได้ถ้าบุญเรามากบารมีเราสูงส่งไปพระนิพพานก็ได้ ถ้าเราปฏิบัติให้เด็ดเดี่ยวเราก็ไปได้หมดไปถึงที่สุดของทุกได้เลยนี่แหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราค่อยร่วงไปร่วงไปแม้แต่วัยของเราก็แก่ไปแก่ไปในที่สุดเราก็ไปจากโลกนี้กันทุกคนอะไรที่เราจะทำให้รีบทำอะไรที่เราจะสร้างให้รีบสร้าง อะไรที่จะสะสมเอาเป็นกองบุญกองอุปสมบของเราขอให้ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปนี่แหละธรรมะมันเป็นสัจธรรมทำตามเราได้ผลคนพ้นทุกได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนยินดีในการปฏิบัติธรรมฝึกปฏิบัติไปเรื่อยฝึกไปเรื่อย ก็จะประสบความสุขความสำเร็จภายในใจของท่านต่อไป